พุทธังสารอด่ังสัลาชามีธรรมังพุธังสัลนางชามีมังสันางคชามีังคัสัลนางชาหมีรูดียังติพุทธังสัลนางคชามีรูดียังติธรรมังสัลนางคชามีรูดียังติจังคังสัลนางคชามี ตาติยมติพุทธังารนังพระเจ้ามิตาติยมติธรรมังสารนังพระเจ้ามิตาติยมติสัมังารนังพระจ้ามิปานานปิปนเวรมะนีสิกขาปังสมะิยามิอาติยาเวมะีสิกขาปัฏังสมาติยามิ พรมาจารย์เวรมะนีสิกขาปัทถงสมาทิยามิมูฆาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทถงสมาทิยามิสุลามระยามัชฌะปรมัทถานาเวรมะนีสิกขาปะทถงสมาทิยามิวิกาลโุชนาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิ จกุจาศยาานะมณฑะจิกยาวาทิตาวิสุขทันามาลพันธวิเลปะนาคาระมันทะวิภูสนาทานาเวรมณีสิคาปัทังสมาธิามิุจาส ย, าาสยานาะมหศยนะเวรมณีสิคาปัทํงสมาธิามิ อิมานิอตัตตขาปัานิสัมมาิยานิสามั้งอีมาณิอัตตะศิขาปันานิสมาทิยานิอีมาณิอตัตตสศิขาปัฏ า, านิสัมมาทิย า, านิสามขัม้นจำระเบียบเอาไว้ถ้าไม่ฟงผม หลวงพไม่ให้ศีลให้อธิษฐานเอาสถาทานเอานี่เรียกว่าเจตนาเ พ, พิลังเจตนาพิฆังวดามิที่รังวดามิแต่ว่ามีเจตนาจั ง, งดเว้นแล้วสมาทานเอาต่อหน้าพระประธานต่อครูบาอาจารย์จะเป็นการเนี่ยสมาธิยามิพระเจ้าเาสมาทานเอาซึ่งองอค์อัฏฐศีลคือองค์แปประการ อัตติฆาประธานนี้สมาธิานี้นีมาเนี่ยอัตติฆาประธานสมาท า, านเอาเลยตาไปรับกับพระสงฆ์หรองดเว้นไม่ได้เดี๋ยวก็ไปแต่งผมแต่งอะไรอีกกบบเพียรแล้วไม่ให้ประดับประดาแต่งตนแต่งตัวแล้วะเพราะฉะนั้นพอมาทานเอาก็ไม่ได้โกหกกับพระสงฆ์สมาทานเอาตามข้อปฏิบัติแลต่จะข้อสําคัญที่คื อ, คอ ศีลมันอยู่ที่การเรางดเว้นการส่งใจให้ฟุ้งซ่านเรียกว่าศีลคือเป็นปกติศีลจิตใจไม่ฟุง้งซ่านไม่วุ่นวายถ้าฟุงา้งซ่านวุ่นวายมันก็ไม่ใช่เป็นศีลไม่เป็นปกติศีลไม่มีสมาธิไม่เกิดไม่มีปัญญานะเพราะว่าสมาทานศีลอยู่ต่อวันหนึ่งสองวัน3าวันนี่เพื่อให้การปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่อง งดเป็นเรื่องของทางโลกเขาวัดวัดนั่นวัดนั่นก็ไม่ต้องว่าเรียกว่าบ้านที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เรียกว่าวัดเป็นสถานที่ของอยู่ผู้ฆ่ากิเลสตาพูดง่ายๆจะฆ่ากิเลสมัก็ดูลมถ้ามีดูลมก็มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสทีนี้คนในโลกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสนะ ตัวใหญ่ก็พูดแล้วทุกขัง้งทุกขั้งคือร่ำรวยกับสวยงามตัวกิเลสตัวใหญ่หรือม้อนรกหม้อใหญ่นางนางมณโฑาอยู่เมืองไหนอยู่เมืองภูเงินเมื่อใ่จะเห็นนางมโโฑาใช้ความอดทนเท่าสีทนชอบนางมนโนฑาฮะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงเจอใช้ความอดทนหาใช่ไหมเท่าที่ทนก็บวมกันอยู่ที่นี่ผู้ดเดียวกัน หาอยู่ที่ไหนหานางมโนราเมืองพูเงินนี่หาใจเข้าอดทนหาใจตนเองให้เห็นให้เห็นอยู่ที่ไหนใจไปอยู่เมืองพูเงิน น, นั่นถามมโนใจทุกคนเรามาอยู่จับทางประเทศไทยมาอยู่ที่นี่มาหาเงินไม่ใช่เหรือนั่นได้เงินมาแล้วก็แต่งตัวนี่สวยงามร่ํารวยสวยงามหนึ่งร่ำรวยสองสวยงามหม้อระโรคห้อใหญ่ที่สุดที่มันเผาสัตว์โลกอยู่ ร่ำรวยสวยงามถ้าคุกคีอะลอยอดยเนี่ยลอยจะในมนุลกนคนในโลกลอยจะในหม้อนรกน ะ, นะแล้วก็อยากจะรวยอยากจะรวยั้งที่อยู่ในนรกแต่แหนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงว่าอะไรทําที่เราตถาคตได้ตดรัสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้จะดูได้หรือจะรู้ได้เพราะว่าจเจ้าก็ไปอีกนะถ้าคําเดียวก็คือ จากฤษามันชนคนธรรมดาจะดูได้ทำไมดูไม่ได้เอาใครเห็นไหมลมอ้อถ้าพูดทำ ล, กลกอกๆอ๋อนั่นดูไม่ได้ลมอ่ะต้องใช่นั่นระลึกกลู่คือมโ น, โนคือใจ น, นวลความสำนึกก็คือใจสำนึกรละลึกกลู้ว่าลมมันอยู่ตรงไหนนั่นลหละเรียกว่า ธรร ม, มาจากสุขคือตาภายในไม่ใช่ตาภายนอกตาภายนอกคือตานารก่ะก็ห้องเห็นล่ำรวย่ะเห็นเขาเสวยงามสองตัวนี่มันสลับขับท้อนกันมันโลกสองหมอ้อรูปไม่รว่าสองสองหม้อเป็นหม้อนรกแล้วก็ว่าคุ้งคีอยู่นี่แหละรอยลอยแพอยู่ในหม้อนรกเนาะไม่รู้จักผุดแต่กเกิดไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วเพราะมันไปเกิดแล้วก็จากล่ำรวยยิ่งยากสวยงามยิ่อ เกิดพ็มาจากความเมื่ อ, อยจนแต่มันไม่เป็นคนสมัครเสมอเดิมนะถ้ามันเป็นคนเสมสเอเดิมเกิดพบไหนแช่ไหนเป็นคนเหมือนเดิมเป็นอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอันนี้พ่ออยู่แต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามภพภูมิของใจของเราทําอยู่ถ้าหากไม่มีรักเพราะศาสนาอย่างคุณเจ้าบอกว่าห้าพันปีหมดไปแช่นี้เสื่อมไปเสื่อมไปเดินนี่เห็นไหมพระเจ้าประสงค์ทะเลาะ ก, กันสินทำข้อเดียวกันแแต่ต่ถือเพศไปต่างๆ พระต่าพอันเดียวกันอันเดียวกันงทุกวันยังมีแยกพระต่ายพิสดกแล้วเห็นของพระเจ้าไม่ถึงสองรยีย่บเก็บเห็นไหมละ่ะ ม, มาให้แยกแตกแยกกันอย่างแบบนีม้มันก็เป็นไปตามคําของพระเจ้าทำนายห้าพันะ 5, ปีดูสิพอขึ้นค่อนเท่านั้นก็เริ่มวุ่นวายวุ่นวายวายุ่นวายไปถ้าเราเกิดมาท่ามกลางแห่งไม่มีหลักพระศาสนายกหมูแห้งเป็นแห้งยกมูกาเป็นกาคิด ก, กันขา ก, นกันกินกันเป็นอาหาร ก็ลืมพอบลืมชาต์ไปดิน่ะคุณธรรมเพราะดันั้นนี่พูดจะยึดไว้อย่างนี้มันมันยากนะไม่รู้เถอะมันประเทศไทยมีพระมีลูกมีวัดทีวัดแต่การสอนไม่เหมือนกันน่ะบางแห่งท่านิยมให้มจุดทูปจุดเทียนสวายหั้งกระานตรวจน้ำอ <c oughs> ย่างไรแห่งห้องพระที่พระเต็มไปหมดจะเที่บใช้ ปากแบ่กูประธ า, าไม่ใช่อยวทางของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้เอามือไปบุชาไม่ให้สอนหอดอกไม้บนมมือให้เป็นดอกบัวระหว่างหงวัวใจองหัวใจของเราไปฝากไปที่รูปเหมือนพระเจ้าถ้ามีดอกไม้ไม่ถูกวิเทียนใจก็ไปอยู่นั่นเมื่อว า, านหนึ่งพวกจินเดียมาก็พูดเรื่องนี้เขาก็สาธุสาธุอยูเรื่องพระพุทธเจ้าทีแรกใครบอกได้มาพบกันแล้ว ่ละ <c oughs> ของพระเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ต้องเอาขนดอกไม้ทุกเทียนมาเที่ยวทั้งเวืร์งเงหลายมัธยฆม์เมื่อตะกัวมากกว่ามัธย์สาคําท่าลูอยากไหมมันมีทางลึกลัที่นี่จี่เส้นจีเส้นตลองดูซิถ้าเราไม่เคยมาไม่เคยรู้ก็คองไปที่ไหนก็จะพ บ, พบมาถูกเที่ยวรังเวิร์งมันคล้องไปหาทกบหาเทียนคองไปหาตรวจน้ำหาหน้ามาตรวจ โค้งบัสนทันทีแต่ม้าถึงนี่เดี๋ยวไปซื้อทูบซื้อเทียนก่อนหม่าเราเกาะมหาตั้งหาทีว้างทีจุดทิศบ้างดอกไม้ใช้ดอกไม้แก้กันเนี่ยนั้นนี่นี่บุญนกิดพวกหนึ่งมาแล้วกาปับปับใส่ไปหอดใส่หล้วเด็ดทำมูชาแล้วก็ใส่เก่าวคำอิมินาตะกาเดียนะแล้วก็ได้ทําทบุญในใจดูลมหายใจเขาออกทานศีลภาวนา กายว่าใจกายได้กลับวา่ามีนาตะกายนั่ใจดูลงเข้าอมออกนั่นแปลว่าสมบูรณ์ว่าไปวัดทําบุญนี่เทวันมีอะไรขนของไปถวายพระแล้วว่าไปทําบุญก็หงอกล่ะก็หงกหมูพวกพวก็หอกก็เองนัดหมูพวกว่าไปทําบุญไปทําบุญนคนของมาให้พระยุ่งก็ทําบุญเหรอทําทานเข้าใจไหมทานศีลบุญ วิเจ้าให้เจ้าจมทําอะไรมี่สามอย่างทานศีลภาวนานี่หน้าที่ของฆลาวาสจะทำคือผู้ยุ่งยากอยู่ในบ้านฆราวาสจะทำธรรมสาหรับฆราวาสผู้คล่องเคือนคือทานศีลภาวนาอย่่างอยางเดียวคือทานศีลกับภาวนาไม่มีไม่มีปัญญาว่าถูกต้องกับถูกใจเป็นยังไงทานเป็นยังไงบุญเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญ ไ, ไม่รู้บุญก็คือลมหายใจเข้าออก สอทุกเจ้าทุกเย็นมันเป็นยังไงล่ะมันเกิดไหมรักไม่มีโลคไม่มีนี่ดูหนึ่งนาทีนะไม่ต้องคิดพูดว่าดูตลอดวันยังคํขึ้นยังรุ่งหรือตลอดชีวิตเราขอให้ดูหนึ่งนาทีเถอะก็ยังทําไม่ได้นะเมื่อกี้คนมาขอสินมาฟังเทศที่นี่แต่ไปถามเป็นยังไงหลวงปู่บอกให้นั่งสมาธิขึ้นนะั่นหนึ่งข้างหนึ่งข้างที่ฉันยังทําไม่ได้ยังยุ่งอยู่น่นเห็นไหมล่ะ ือไม่มีสัจจะสิ่งที่ทําไม่ได้ถ้ามีปัญญานะสิ่งที่ทําไม่ได้พี่จังไม่ทําสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนืืออดูสิพระพุทธเจ้าได้สอนไหมอยู่ในเรือนจําไปถามดูสิเขอผิดศีลใดผิดศีลข้อไหนท่านพูดฉันทําดีฉันทําดีนี่แต่ไปสู่ว่ทําดีทําดีถึงป่นได้ก็ว่าดีขี้ได้ก็ว่าดีขโมอยได้ก็ว่าดี เข้าใจไหมเหดี๋ดวดีไม่มีปัญญาถ้าดีมีปัญญาไม่เดือดร้อนตอนเองและบุคคลคนอื่นนั่นไอนี่ไปป้นเขามาดียังไงละ่ะคนอื่นเดือดร้อนพวกเขาเสีอหายเดือดร้อนแต่ฆ่าเข้ามาคนที่ตายก็เดือดร้อนญาติพี่น้องคนตายก็เดือดร้อนญาติของพี่น้องของเราอีกก็เดือดร้อนอีกนั่นไปทําทําไมฆ่าเขาทําไมป้นเขาทําไมจี้เขาทําไมหลั่นลึกได้แล้วยอมยอยอ ม, ยอม สำท่าที่เคยแล้วทำไมทำได้พระเจ้าไม่สอนนี่นั่นขาดคำเดียวคือเราไม่ไม่มีการทำบุญนะนั่นหมาว่าทำบุญไปแล้ว่าทำบุญเด็กอยากให้ทำบุญเยอะๆทานพรเอายังได้จำญาติโยมอยู่นี่แทนที่จะมาหนึ่งจานเอาครึ่งจานนั่นช่วยพระสงให้พระรงฆ์ได้จำแน่เพื่อจิตสกปอกจิตใจมันสะอาดหันใจสกปรกกายสกปรกใจก็กินนี่ยัง เอามา็มวัดเขาถือกันหนุนในประเทศประทไปแย่งอยู่ฮะไปแย่งพระเจ้าว่ให้พระด้เจ้าฉันเนื่อยแล้วแก่ตระเลที่ใสยของท่านของแต่ละรูท่านองคไหนเห็นสมควรถูกท่านขันที่ได้การปฏิบัติทำละเอียดดีก็ทําได้ท่านองค์ไหนไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ผลประโยชน์อก็ท่านก็จะไปทำํำถูกจะพูดไปเป็นกลางๆเห็นไหมไม่ใช่ไปบังคับเดิ เพราะเราเกิดมาจากของสกปรกไว้จะไปทิ้งองสกปรกยังไงได้ล่ะเมื่อเมื่อเราไม่เปรินญาเลยไม่เชื่อพระเจ้าเป็นยังไงนี่พูดไปสอนเหมือนกันไม่ทําตามคําสอนของพระเจ้าว่าบุญเป็นยังไงก็เลยไปท่องเอาไปท่องเอาคํำติทำตโตทําเองประโยคขั้นประโยคนี้ก็ว่าไปไปสอนโยมว่าโยมจุตุภูมิจีนยมสบาบยนกทานยมตรวจน้ําไหนก็ทําบุญโยมก็ไป เทศตการกะทินหลวงปู่ปีนี้ฉันทอดกะทินก็เข้าวัเข้ากองเป็นยังไงทํามุกะทินพระบอกยังไงบ้างก็อย่างที่พูดนั่นแหละไม่ใช่หลวงปู่ตำหนินะหลักเหตุผลของพระเจ้าเขาเจ้าให้เชื่อเพราะพระเจ้าให้เชื่อเหตุผลพระเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่เชื่อที่เขาพาธรรมานั่นไม่เชื่อทําไมเขาคนโง่เขา ถ้าคนมีปัญญามาคิดสักเดียวก็รู้แล้วนะใช่ไหมล่ะพวกทูดมากก็เห็นล่ะไม่ต้องไปถามอะไรล่ะถูกต้องดีแล้วไม่ต้องมีอะไรล่ะนี่ดอกไม้จุกเทียนถ้าไปหาดอกไม้ทุกเกทีเยนนั่นเที่ยวทั้งเวิร์กเลยอืมมอเตอร์ปั่นมากว่านั่นล่ะพวกมากว่าคือค่าจุดถูกทุกเทียนค่าตรวจน้าค่านั่นค่านี้่มาทําบาปตรวจน้ําำไหมจุกทูดจุดเทียนหายบาปไหม ในข้าเขารถยนต์ผ่อนพันได้ไหมตรวจน้าเป็น ส, ะสระนี่จะหา ย, ยไหมเวลาทำบาปเวลาทำบุญละทุก <laughs> จุดเตียนตรวจน้าทีที่เคได้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปเมื่อวัฒนธรรมนั่นนั่นนนี่ยังเย็ด่ตัวจะได้วดอธิธรรมไม่ลูกหยุดทุกี่ครั้งนะจุดเทียนนู่นจุดเทียนนี่จุดเทียน แสดงทำจุดเทียนทักวิธีทำจุดเทียนว่าอยู่น่าไม่มีอะไรเรื่องประชุมก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพวกนี้มาก่อนจะสั่งมาไปหาาของมาทำแพวกนี้ทีห้าคึ่งได้เจ้าค้า่มะซตรงตา ใช่ไหม ย, ยังเขากดเข้าปฏิบัติทำได้เขากด<ช>ได้